พุทธพจน์ที่เกี่ยวกับภาวะหลังสิ้นชีพของพระอรหันต์ก็งอพุทธพจน์เปรียบพระอรหันต์สิ้นชีพเหมือนไฟดับดังความตอนหนึ่งในอักขิวัจโคตโสูตมัจิมนิกายมัจิะปัญ น, นาตในคำสนทนาระหว่างพระพุทธเจา้ากับวัจโคตตะปริพาชกต่อไปนี้วัชโคตตะปริพาชกทูลถามว่า ท่านพระโคดมผู้เจริญภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้จะเกิดณที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูกนวัชชะคำว่าจะเกิดก็ใช้ไม่ได้วัชโคตตะทูลถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกิดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าคำว่าไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้วัชโคตตะทูลถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ทั้งเกิดและไม่เกิด พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าคำว่าทั้งเกิดและไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้วัจโคตตะทูลถามว่าถ้าอย่างนั้นจะว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าคำว่าจะเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ก็ใช้ไม่ได้วัจโคตตะจึงทูลว่าท่านพระโคโดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพเจ้าถึงความงุนงงเสียแล้ว ข้าพเจ้าถึงความหลงไปหมดเสียแล้วแม้เพียงความเลื่อมใสที่ได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยต้อยคำสนทนาเบื้องต้นของท่านพระโคดมผู้เจริญนั้นถึงบัดนี้ก็ได้หายไปหมดแล้วพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนวัชชะควรแล้วที่ท่านจะงุนงงควรแล้วที่ท่านจะหลงไปเพราะว่าธรรมนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบ พระนีอยังไม่ได้ด้วยตา ก, กะละเอียดบัณฑิตพึงรู้ได้ทำนั้นอันท่านผู้มีทิฏฐิอย่างอื่นมีแนวความเห็นอย่างอื่นมีหลักที่พอใจอย่างอื่นมีความเพียงที่ประกอบแบบอื่นถืออาจารย์สำนักอื่นยากจะรู้ได้ถ้าอย่างนั้นเราจะย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านเห็นควรอย่างไร พึงกล่าวชี้แจงอย่างนั้นดูก่อนวัชชะท่านสำคัญว่าอย่างไรเถ้าไฟลุกโผลงอยู่เบื้องหน้าท่านท่านจะรู้ไหมว่าไฟนี้ลุกโผลงอยู่เบื้องหน้าเราวัชชะโคตรทูลตอบว่าข้าพระเจ้าพึงรู้ได้พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าก็ถ้าใครๆพึงถามท่านอย่างนี้ว่าไฟที่ลุกโผลงอยู่เบื้องหน้าของท่านนี้อาศัยอะไร จึงลุกโผรงท่านถูกถามอย่างนี้จะพึงกล่าวชี้แจงอย่างไรวัชโคตตะทูลตอบว่าขขาพเจ้าพึงกล่าวชี้แจงว่าไฟที่ลุกโรงอยู่เบื้องหน้าเขาพเจ้านี้อาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้จึงลุกโรงได้พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนวัชชะถ้าไฟเบื้องหน้าท่านนั้นพึงดับไปท่านจะรู้ไหมว่าไฟเบื้องหน้าเรานี้ดับแล้ว วัชโคตตะทูลตอบว่าข้าพเจ้าพึงรู้ได้ว่าไฟเบื้องหน้าข้าพเจ้านี้ดับแล้วพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าก็ถ้าใครๆพึงถามท่านอย่างนี้ว่าไฟเบื้องหน้าท่านนี้ที่ดับแล้วนั้นไปจากนี่สู่ทิศไหนทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือว่าทิศใต้ท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะพึงกล่าวชี้แจงว่ากรไรวัชโคตตะทูลตอบว่า ข้อความถามตอบอย่างนั้นใช้ไม่ได้ดอกท่านพระโคดมพุทเจริญเพราะว่าไฟนั้นอาศัยเชื้อคือหญ้าและไม้ใดจึงลุกโผลอยู่ได้เพราะเชื้อนั้นหมดสิ้นไปและเพราะไม่ได้เชื้ออื่นเติมไฟนั้นก็ถึงความรับว่าหมดเชื้อดับไปเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าฉันนั้นเหมือนกันแหลวัดฉะบบุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคต พึงมัญญัดด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นั้นตถาคตละได้แล้วถอนรากเสิแล้วทำให้เป็นดุจตาญยอดด้วนถึงความไม่มีมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาตถาคตพ้นจากการนับว่ารูปพ้นจากการนับว่าเวทนาพ้นจากการนับว่าสัญญาพ้นจากการนับว่าสังขาร พ้นจากการนับว่าวิญญาณลึกซึ้งประมาณไม่ได้อย่างได้ยากเปรียบเหมือนมหาสมุทรคำว่าเกิดก็ใช้ไม่ได้คำว่าไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้คำว่าทั้งเกิดทั้งไม่เกิดก็ใช้ไม่ได้คาว่าจะว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ก็ใช้ไม่ได้เมื่อจบคำสนทนาตอนนี้วัจโคตรปริภาจกเกิดความเลื่อมใส ประกาศตนเป็นอุบาสกต่อมาได้ขออุปสมบทในพุทธศาสนาและได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งมีคำสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับวจชโคตตาปริภาชกที่น่าสนใจอีกหน่อยหนึ่งกล่าวถึงว่าผู้มีอุปาทานจึงเกิดผู้ไม่มีอุปาทานย่อมไม่เกิดเหมือนไฟมีเชื้อจึงลุกไม่มีเชื้อก็ไม่ลุกและว่าเชื้อคือตัหา